บุ๊กทูหกสิบสี่ชสตูชการปฏิเสธหนึ่งนาฟียกผมไม่เข้าใจคำสัพทมัน n คลเมโรแนมีฟามัผมไม่เข้าใจประโยค มันโจมเล่ราเนมีฟะหมัมผมไม่เข้าใจความหมายมันมะเนี้ออนราเนมีฟะหมัมคุณครูมูอัลเลมคุณเข้าใจคุณครูไหมครับกุฟเตยมูอัลเลมราม่ฟะมิดครับผมเข้าใจท่านดีบดเล มันกุศล์ ف ห م م คุณครูคุณเข้าใจคุณครูไหมครับกุศลเมรอคุณครัู ผ, له, ا ا ผู้คน มารดงคุณเข้าใจผู้คนไหมครับ h าร f h o y ม r m a r d o m r มีฟะหมมีดไม่ผมไม่ค่อยเข้าใจพวกเขาสักเท่าไหร่ครับน่า h าร f h o y อ r น n าราอ o น c h e n o n k h นมีฟะหมมั่เพื่อนหญิงแฟนด u สด o k h t a r คุณมีแฟนไหมดูศัตรูดาริ ด, ดครับผมมีแบเล่จ้ารัมลูกสาวศัตรูคุณมีลูกสาวใช่ไหมชโมศัตรูดาริดไม่ผมไม่มีลูกสาวนัก น่าดราม